บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นเป็นตอนที่ว่าด้วยอยายตนะพรพะคือทรงสอนให้บุคคลตั้งสติระลึกรู้ เวลาตาเห็นรูปผู้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งและใจเนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายในกรณีที่กิเลสซึงยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นและรู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆ ใช้ความเพียรพยายามรดละบัดเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้อย่างทำอะไรไม่ได้ก็อย่าให้เพิ่มปริมาณขึ้นเพราะความรุนแรงของกิเลสไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อตามันเกิดขึ้นแล้วจะแผดเผาให้เกิดความเร่าร้อนถ้าคุมเขาไว้ไม่อยู่ออกมาทางกายทางวา จ, จาก็จะพูดเป็นทุจริตจะทำเป็นทุจริต ถึงผลที่สืบเนื่องจากทลจริตนั้นบางครั้งตอนคิดตอนทาเป็นเรื่องขณะสั้นๆแต่ผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการกระทาที่เป็นบาปบางครั้งบุคคลจะต้องชอดใช้ด้วยชีวิตหรือหมดสิ้นความสุขไปตลอดชีวิตมีความสูญเสียต่างๆใน ห, หลายด้านเกิดขึ้น ตัวอย่างผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสจึงเป็นภาพข่าวที่ปรากฏอยู่ในสังคมทุกวันเหียอแต่ว่าบุคคลไม่ได้มองในแนวสืบสาวถึงที่มาของความคิดที่เป็นเหตุให้ทําเช่นนั้นเป็นเหตุให้พูดเช่นนั้นแล้วก็อ่านกระักว่าเป็นข่าวไปการศึกษาธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ทีจรงเปการสั่งสอนในตัวคนแต่ละคนเพราะธรรมะทั้งปวงก็อยู่ในคนแต่ละคนแล้วอันที่จริงทุกข์ก็อยู่ที่จิตเหตุเกิดทุกข์ก็อยู่ที่จิตความดับทุกข์ก็อยู่ที่จิตและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกข์ก็อยู่ที่จิตเพียงแต่ว่าจิตที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งมนก่ให้เกิดเป็นทุกข์บ้างสมุทัยบ้างนิโรธบ้างมรรคบ้างในตอนต้นๆมันก็เป็นระดับอาการคือไม่มั่นคงอะไรแต่ถ้าโอกาสต่อไปเมื่อปฏิบัติกรําให้สมบูรณ์นิโรธกับมรรคก็ปรากฏอยู่ในจิตอย่างสมบูรณ์ทุกข์กับสมุทัยก็หมดไปอย่างสมบูรณ์ แต่การเกิดของกิเลสนั้นที่จริงแล้วไม่ได้ยุติว่าจะเกิดข้อใดข้อหนึ่งตามลำดับที่ท่านเรียงไว้ไมนเกิดกัดจากการกาหนดอารมณ์ของเราแต่การเรียบเรียงการพูดการเขียนการพิมพ์จะต้องมีลำดับคือเนื้อที่มันซ้ำกันไม่ได้แต่กิเลสก่เกิดซ้าในที่เดิมได้ เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ในจิตนั่นเองในการพูดการเขียนการเรียงพิมพ์ไปถ้าทับกันอย่างนั้นมันก็อ่านไม่ออกเพราะนั่นต้เรียงมาตามลำดับและเป็นการเรียงอย่างมีระบบตามสิ่งที่พระญาบุคคลทำละได้เรียกว่าสังโยชน์ จะแสดงว่าเชื้อมันก็อยู่ภายในใจเราแล้วทุกคนเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามปกติในภาคปฏิบัติเระสังเกตว่าอริยมรรต์ ก, ก็ทรงเรียงที่สมาธิิไว้ในตอนต้นแต่ว่าไปเรียงโลกปวดลงเอาตัวหลงไว้ข้างหลัง แท้จริงก่อนที่คนจะลดความโลภลดความโกรธก็ก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษของความโลภความโกรธสียก่อนเห็สามารถต้ละความโลภความโกรธลงไปได้พรสศาสนาจึงเริ่มที่ปัญญาหรือเริ่มที่ศรัทธาในบางการณีเป็นเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนยากต่อการจะทําทความเข้าใจ เต็มที่มเป็นเรื่องอดีตการที่นานไกลเราไม่ได้เกิดในยุคในสมัยนั้นจะให้รู้เห็นตามความจริงมาก็เป็นไปไม่ได้ในกรณีนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อในแหล่งในกลุ่มคนในบุคคลในเอกสารหลักฐานต่างๆที่ควรแกบการเชื่อถือเพราะในการเชื่อเองก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับไม่ใช่วันนึกจะเชื่อก็เชื่ อ, อไป ศรัทาก็เชื่อง่ายหรือเชื่อดายไปท่านเรียกว่าอธิโมกข์คือน้อมใจเชื่อเฉยๆโดยไม่มีปัญญาข้ากับกับ่ยิงศรัทธาท่านก็เรียกว่าอธิโมกข์แต่ก็มีปัญญาข้ากับกับจะเชื่อใครจะเชื่ออะไรทําไมจึงเชื่อมันต้องมีความเหตุผลมีความเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกันเพราะเราจะพบป้าสังโยตสามข้อแรก จริงเป็นเรื่องใหญ่มากๆมันเป็นอาการของโมฆะหรือเป็นอาการของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นกรุ้มรุมใจคนเพราะนั่นเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าในการปฏิบัตินั้นจะเน้นที่สติสัมปชัญญะคือลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะ แล้วก็จริงก็ไม่ใช่ดูง่ายเพราะพื้นฐานของคนมันข้าวของตัวเองแล้วก็ลงตัวเองมันจะปกป้องตัวเองบางทีตั้งทางที่โกรธหน้าแดงไปอยากปฏเกิเสธว่าไม่โกรธตั้งทางที่โลภมองด้วยความอยากในอารมณ์หล่อ น, นั้นก็ปฏเิเสธว่าไม่โลภเป็นต้นด้วยการดูจิตแล้เห็นจิตตามความจริง ในขณะที่กระทบอารมณ์จากภายนอกหรือเหนี่ยวนึกตุกนึกขึ้นมาเองบุคคลจะต้องสามารถขจัดความสามารถขจัดความเห็นเก่ตัวหรือความหลงตัวออกไปก็เรียกว่าใจไม่เอียงคือใจจะต้องไม่มีอคติเข้าข้างตัวเองเพราะทําไมาอย่างนั้นแล้วจะเห็นได้ยากอย่างที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงว่าโทษของ คนอื่นเหีนได้ง่ายโทษของตนนี่ได้ยากบุคคลมักจะกลบเกลื่อนปกปิดความผิดพลาดของตัวเองเอาไว้แต่ก็พร้อมที่จะเปิดเผยพร้อมที่จะขยายโทษความผิดของบุคคลอื่นตรงนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีปัญหาเพราะบางครั้งแม้กิเลสจะเกิดขึ้นแต่เราไม่ยอมรับว่ากิเลสมันเกิดขึ้น มาถึงจุดนี้ก็เหมือนกัคนป่วยที่ไม่ยอมรับป่วยแต่ความค้นขวายความคิดที่จะไปเยียวยารักษาไปพบหมอไปซื้อยาไปรับประทานยามันก็ไม่เกิดจรินแต่เมื่อใดที่บุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าในขณะนี้เรามีโรคในขณะนี้เรามีจิตเละข้อด้านก้อนี้นอนนยู่และเกิดเละ แะกิเลตนั้นก็เป็นโทษโรคก็เป็นโทษเป็นความเสียดแทงเป็นการแผดเผาสร้างความร้าร้อนโรคมันก็เสียดแทงที่กายแต่กิเลสมันก็เสียแทงที่ใจเพราะทั้งสองฝ่ายที่จริงก็เหมือนกับโรคแต่กิเลตนั้นจะมีลักษณะเป็นสบุตรฐานนะจาไปคือตัวเหตุของโรคพอเห็นโทษประจักษ์แล้วจึง มีความคิดหรมีความพยายามที่จะลดละจริงหรอกนั้นขันย่อกลุ่มแรกที่เรียกว่าสักจยทิฏฐิคือความเบ็ดเป็นเดชถือตัวถือตนตลอดถึงการไขว่คว้ามาสนองตอบความต้องการของตนเราจะเห็นว่าอาการไขว่คว้านั้นที่จริงก็คืออาการข้องโลภะแล้วพอได้มาแล้วก็ยึดติดตว่าเป็นของเราของเราของเรา พอสิ่งเหล่านั้นจากไปสูญเสียไปก็รู้สึกว่าของเราจากไปสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียดายในตรงนี้ถ้าหากพอปัญญาก็เกิดขึ้นพิจนารณารู้เห็นตามความเป็นจริงเดีย๋ยน้อยที่สุดเนี่ยใจที่ปรารถนาไขว่คว้ า, วาก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลและความถูกต้องเพือจะคำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาจริงๆเห่านั้น ่าก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรก็งดเว้นเอาไว้นั่นก็แสดงว่าปัญญาของเกิดกํากับไปคุมที่โลกได้ทำให้ความหลงจึงสายโดยไม่มีทิศทางเนี่ยมันก็มีทิศทางขึ้นในช่วงของโลเกียธรรมในช่วงของสังคมในช่วงของโลกคนก็สามารถอยู่ดีมีสุขเลี้ยงชีพไปสัมมาชีพเรียกว่าเป็นคนอยู่ในสีในธรรมได้แล้ว การปฏิบัติระดับกรรมาฐานนั้นมุ่งผลไกลกว่า น, นั้นเพราะการลดละพวกเหล่านี้จึงต้องใช้การปฏิบัติตามองค์อริยมรรคแต่ในคิดีนี้ก็เน้นเฉพาะการสำรวจระวังแต่จากความมีตัวิดตนเนี่ยนําไปสู่การคอยคว้ า, ามาเพื่อตนแล้วคอยคว้ า, ามาเพื่อตนได้เป็น โดยมองคล้ายๆ ก, ก, กับสิ่งที่เราได้มาด้วยความอยากในฐานะตําแหน่งชั้นยศที่เราเป็นตามที่เราอยากเป็นของเชียงแพ้ยังย่งยืนถาวรไม่แปรผันเพราะนั้นเราจึงปฏิเสธในกรณีที่มันจะแปรผันไปในทางที่ไม่ดีแต่จริงๆเหล่านั้นก็สอนเราบอกให้ทราบความจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่พอเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเรากลับชอบ เช่ว่าได้ลาบผลเพิ่มขึ้นได้ยศเพิ่มขึ้นได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นเราชอบแต่ถ้าปัญญาเขาเพิ่มขึ้นจริงๆก็จะเห็นว่าทั้งลาบทั้งยศเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากไม่มีแล้วมาสู่ความมีแล้วย่อยสลายกลายเป็นความไม่มีโดยการพรากจาก เราอาจจะพระาดาดจากเขาหรือเขาอาจจะพระาดาดจากเราแต่สรุปตรงแล้วก็คือจบลงด้วยไม่มีด้วยกันทั้งสองฝ่ายสถานะตำแหน่งทั้งหลายยึงเป็นมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นมากเท่านั้นเช่นชาวบ้านเรากำหนดโดยการกระเสียมพระอาจจะนานหน่อยแต่ก็จบที่ตาย คนตายมันก็เป็นแค่ศพเท่านั้นเองแต่ใส่ที่ความยึดมั่นถือมั่นคนก็พยายามลงพยายามไปสมมติบัญญัติศพไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นจริงในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเปลี่ยนแล้วคือเป็นศพเท่านั้นเที่ยงเหลืออยู่เป็นเพียงอุปาทานที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ยอมรับต้องสื่อเป็นศพของคนนั้นคนนี้มีชั้นยอดอย่างนั้นอย่างนี้น เราลองสังเกตว่าการหมดสภาพหมดสถานะอะไรเนี่ยท่านกําหนดที่ตายในแง่งกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพอต้แล้วก็จบตายก็ไม่ได้เป็นถ้าเป็นสมภารวัดใดวัดหนึ่งเขาเรียกอดีตอดีตเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าอาวาดแล้วเพราะตาแหน่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นแล้วแต่เราก็เชื่อมโยงไว้ด้วยอุ ป, ปาทานคือยึดมั่นถือมั่นกันไป ทีนี้อาการที่คอยคว้าปรารถนาเพื่อเป็นของเราหรือเพื่อเราได้เป็นเนี่มันไปเกิดมาจากเรารู้สึกว่ามีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตนแล้วเข้าใจว่าเราเป็นของที่เที่ยงแร้ยัางยี้จะสามารถโดยพวกใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปหรือได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปทั้งๆ ท, ที่บทเรียนในชีวิตต้องก็สอนเราทุกวัน อ่านข่าวคราวเรื่องราวต่างๆมันก็รู้แล้วแต่สะท้อนธรรมออกมาแม้ แ, แต่เรื่องที่คดพูดกันว่าน้ำเน่าที่จริงก็คือสะท้อนธรรมเพียงแต่ ว, ว่าบุคคลไปมองโดยตัณหาอุปาทานมากไปคือถ้ามองโดยปัญญาแล้วในทุกอย่างเนี่ยใช้ประโยชน์ได้อย่างสามารถเป็นครูได้ เพียงแต่ว่าปัญญาจะต้องแหลมคมมากขึ้นกท่นั้นท่านเราจะเห็นว่าเอาก็จริงคือความหลงไปเข้าใจว่าเรานั้นมีตัวมีตนหรอเป็นตัวเป็นตนพอมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนก็ต้องการจะให้ตนได้เป็นมานะมันก็เพิ่มขึ้นต้องการจะให้ตนได้มีปัญหาก็เพิ่มขึ้นแน่นอนในการปฏิบัติที่จริงไม่ใช่ง่าย แต่ว่าทำยังไงจึงจะผ่อนคลายลดละอย่าให้ถึงกับมันรุนแรงจนเป็นทุจริตทางกายทางวิชาแล้วก็เพียรายามคุมไว้ถึงจิตไม่ถึงกับไปล่อคลาจนไม่มองความถูกความผิดไม่ถึงก็อยากเป็นจนต้องเสียเงินซื้อทองลงทุนซื้อกันเดีย๋ยวที่มีการซื้อเสียงมีซื้ออะไรต่อเมือะไร เห็นว่าจากความโลภความหลงถ้าซื้อได้ก็กดีไปก็โลภต่อไปถ้าซื้อไม่ได้ก็จะเกิดโกรธโทสะมันก็เพิ่มขึ้นจิตใจจึงมีจึงมีแต่ความไม่สม้อหมดมีแต่ความเล่า้อนเพราะการดูให้เห็นจึงต้องอาศัยการไม่เข้าข้างตัวเองเราดูความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้น แต่จะเพราะว่าความคิดแนวนี้เช่นแนวของหีริโอตปะคือทรงสอนในรูปรู้สึกละอายต่อความคิดเช่นนั้นสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ตนคิดและผลที่เกิดขึ้นจากการคิดเช่นนั้นพระหิริโอตปะจึงกลายเป็นอุปการาธรรมที่จะเข้าสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สามารถลดละความรู้สึก อย่างน้อยกความรู้สึกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่สามารถต้นรักของเก่าก็อย่าให้ใหม่มันเพิ่มขึ้นทำนองกระไฟที่ไหมอยู่เนี่ยถ้าไม่เพิ่มเชื้อเข้าไม่เท่าไรแกก็ดับแต่ที่แกไหมได้ตลอดก็เพราะมีเชื้อให้ไหมอยู่ตลอดไปเพราะนารมณ์ที่มากระทบก็คือเชื้อที่จะเพิ่มแรงประทุแรงลุกไหมคิดมา แล้วแต่ว่าตกลงไปในกระแสใดเกิดขึ้นอยู่กับการกำหนดของเราอาจจะเกิดเป็นตาหาเกิดเป็นมานะเกิดเป็นทิฏฐิหรือเพิ่มในส่วนนี้ถ้าบุคคลสามารถตัวลได้หรือปิดกั้นกระแสของความรู้สึกแนวนั้น ไ, ได้ความสงบความเยืดเย็นความโปร่งเบาภายในใจเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นจะสัมผัสด้วยใจของตนเอง เราก็จริงจะสังเกตว่ามาถึงจุดนี้มันก็เรื่องของใจโดยเฉพาะทิงอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติการกทางจิตเท่านั้นเองในพวกเครื่องแครเคร่ ง, ครงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจชานันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่้วก็ยากต่อการหยัง่งปัญญาเราหยั่งไม่ถึงมีหลายเรื่องที่เราหยั่งไม่ถึงเพราะในจุดนี้ บางเรื่องเนี่ยเราใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้ศรัทธาซึ่งก็เป็นวิถีประจำวิถีชีวิตประจวันของเราเช่นเรื่องอะไรก็ตามที่เราตอบไม่ได้ไม่เข้าใจเราก็สอบถามคนอื่นคนที่เราแน่ใจว่าสามารถให้คำตอบในเรื่องเหล่านี้ได้พอท่านตอบมาเราก็เชื่อไปตามนั้น เราแสดงวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ความเชื่อเป็นหลักมากกว่าที่จะใช้ปัญญาเพราะความปัญญาของเรายังไงก็จํากัดเราจะไปรู้ไปมากมายกายกองไม่ได้เอาควาจริงเรานั่งหันหน้าไปด้านหนึ่งอะไรใครทําอะไรอยู่ข้างหลังเรายังไม่รู้เลยบางทีเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบริษัทบริวารคนข้างเคียงกลับไปอาศัยชื่อเราทําอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ เนันอย่าไปคิดว่าตัวเองรู้เราก็จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้นั้นน้อยนิดเดียวเกินสิ่งที่เรายังไม่รู้นี้มากมายไกลกองบรรณาจักรของความรู้นั้นเหมือนคนลงไปในกระแสสมุทรมันไม่เห็นฝั่งทั้งด้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้เห็นตามความเป็นจริงรู้จากความจํากัดของภูมิปัญญาของเรา อะไรที่ตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจก็ดูพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไงก็เชื่อตามนั้นโดยไม่ต้องไปลังเลเคลือแคลงสงสัยอะไรจริงหรือไม่จริงไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าไปคิดว่ายังไม่มีคําว่าไม่จริงอยู่อีกเนี่ยหมายความว่าศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธคุณก็อ ง, งอนแงนคลา น, นไม่มั่นคง พระเจ้านั้นเป็นสัจจะวาจีรู้อย่างไงก็ทรงสอนอย่างนั้นสอนอย่างไงก็สมงรู้อย่างนั้นเป็นการประสานกันระหว่างสิ่งที่พระองค์รู้กับสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่พระองค์ําไม่มีความขัดแย้งกันซึ่งผิดกับสามัญชนเราสามัญชนเราจะไม่ประสานกันในทุกขณะ บางขณะก็ประสานกันได้บางขณะไม่ประสานกันใจคิดอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งตอนเช้าพูดอย่างหนึ่งตอนเย็นพูดอย่างหนึ่งบางทีแถมเที่ยงวันก็พูดอีกอย่างหนึ่งนั้นแสดงถึงความไม่สื่อตรงความไม่เป็นสัจจะจริงตอา น, นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามความตามอารมณ์ของผู้พูดทั้งทั้งที่ความจริงมันเป็นเช่นไรมันก็เป็นอย่างนั้น แม้คนจะพูดให้เปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องที่เราพูดอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องคนบางคนที่ให้ความสำกันแก่ตัวเองแล้วก็ปฏิเสธในรลกสวรรค์แตเขาไม่เห็นเข้าไม่เชื่อที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยระหว่างการเห็นกับการเชื่อระหว่างการเห็นการเชื่อกับความมีอยู่ของสิ่งต่างนโดยเฉพาะาสิ่งอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ก็คือมีอยู่ คนทั้งโลกไม่เชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่เพราะมันคนละเรื่องกันความเชื่อของคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคนละเหตุคนละปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกันเพราะความมีอยู่ของนรกสวรรค์เป็นพระสัพพัญญุตยานเป็นประยานของพุทธเจ้าที่รู้เห็นด้วยทิฏฐิจักสุพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้มา ก, ก่อนเหมือนกัน ตอนที่ตัสรู้นี่นั่นเองจึงได้รู้เห็นเรื่องหลอดนั้นโต๊ะก็สอนตามที่โรงรู้แล้วเป็นสุดยอดของความรู้เพราะนคนรุ่นเราหรือว่ารุ่นเรต่อมาหรือแม้แต่รุ่นเ ต, ต่อไปอถ้าไปจะไปเครืออแคลงสงสัยในสิ่งที่โรงสั่งสอนก็หมายความว่าเราก็ขาดศรัทธาที่มัน่นคง พยาดิน้นรนเพื่อพิสูจน์ทดสอบไปรู้เห็นอย่างที่พระองค์รู้เห็นจริงๆมันก็ทําไดนะ้ถ้าทําแล้วปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่มาถึงจุดนั้นก็คงเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นเองเพราะสิ่งที่ตนเห็นก็เหมือนกับสิ่งที่ตนเคยเชื่อมากคราวนี้ลองสังเกตว่าภาษาสาวกระดับใหญ่ที่สุดคือภาษาญี่ปุ่น พระเจเทศจะสั่งสอนอะไรท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้อย่างหนึ่งบางอย่างท่านต้องไปกราบทูลฐานสักหนอเรื่องตรงนี้เป็นยังไงพระเจ้าแสดงไว้อย่างไงก็ท่านก็นําไปแสดงอย่างนั้นนั้นแสดงว่าท่านก็ใช้หลักของความเชื่อเป็นฐานในการสั่งสอนคนอื่นหรือแทนที่จะไปให้ความสําคัญกัตัวเองก็ไปให้ความสําคัญอยู่ที่องค์พระพุธธทธเจ้าจริงๆ ความไม่จําเป็นจะต้องไปนับถือไปให้ความสําคัญอะไรแก่ผู้สอนแต่ไปให้ความสําคัญแก่พระพุทธเจ้าพระผู้สอนก็เพียงแต่โูษตามสารเท่านั้นจะทําให้จิตใจของบุคคลผนึกทควบกันที่พระพุทธเจ้ามีปัญหาข้อข้องใจสงสัยเครือบแคลงขึ้นมาไม่แน่ใจคิดมากก็ใช้ศรัทธาตรงไหนที่ใช้ปัญญาคิดได้ใช้ปัญญาพิจารณาเอาได้ก็ใช้ปัญญา ซึ่งโดยวิธีนี้จะทำให้วิจิกิิษานั้นได้จางลงไปลดลงไปเราจะเห็นว่าพลังก็จะท์พาที่เกิดขึ้นที่จริงก็าทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์คือขจัดได้ทั้งโลกทั้งกดทั้ ง, งลกแต่ในชั้นแรกเขาจะขจัดความไม่เชื่อไม่เชื่อเรียบอาศัตยยะหรือความไม่เชื่อ เขาก็มีกำลังมากขึ้นม า, นาก็จัดความเครื่อนแปลงสงสัยก็คือวิจิกริชาแต่ถ้าก็เพิ่มขึ้นไปกว่า น, นั้นความไม่เชื่อก็ดีวิจิกริชาก็ดีเป็นกิเลสประเภทโมหะพอดีกิเลสประเภทโมหะเขาลดแต่การไมฉันพระคือความกำหนัดรักใคร่พอใจเพลิดเพลินในวัตถุการมทั้งหลายก็ต้องลดตามลงไปเพราะมาลุเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรน่ากำหนัดเพลิดเพลินจริง บางทีพระพุทธเจ้าสอนให้ดูทรงเรียกคําร่างกายเราเป็ปูติกายโยเรียว่ากายเน่าแล้วข้างในก็อาจจะเกิดแผลขึ้นมาได้ที่บางทีเรียกว่าโรค น, นิธังปะพันคูดังคือร่างของโรคเป็นที่ประชุมของสัตว์พาโรคเห็นไหมแต่เด็กตัว เ, เล็กๆเกิดแว้กขึ้นมาก็าเจอกับโรคยเรยอะแยะเลหมดเราก็อยู่กับเขามาตลอด เราตายเลยเชื่อโรคเท่าไเหล่านั้นยังไม่ตายเลยทั้งไปนี่ก็คือสิ่งที่บุคคลได้ใช้ปัญญาวปนิติเจนารในสุดมันก็ลดคลายความขนะดตรงไปเพราะเรายิ่งปล่อยความมากเท่าไหร่เราจะเดือดร้อนมากเท่านั้น ที่ท่านสอนเอาไว้ว่ามีทรัพย์ก็ทุกข์เพระทรัพย์มีลูกก็ทุกข์เพรลูกมีโควก็ทุกข์เพราะคมีพัญญาสา ม, มีก็ทุกข์เพราพัญญาสา ม, มีมีเท่าไหร่มันก็ตามกันไปทีเดียวราคาความกำนัดความเพลิดเพลินการไขว่คร้ปรารถนาด้วยแรงดันของตถาสมก็ลดทีนี้บางครั้งในเรื่องของความกลัว จิตใจเรามีความมั่นคงขึ้นแล้วเนี่ยมีสถา ม, มั่นคงขึ้นแล้ก็เชื่อตามนี้พระเจ้าสอนว่าความโกรธนั้นมีรากเป็นพิษจะมีรสหวานรู้สึกว่าสะใจดีรู้สึกมันดีหวานดีแตในในตอนตอน้ตนๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเมื่อความโกรธให้ผลผู้กันจะเดือดร้อนมากๆทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะนาไปมันไปลดไปถึงความ ลักษณะทางศีรพัตปรามาตเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะและวครอบครอบครุมจิตใจของบุคคลหน้าหลายเอาไว้แต่วถามสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากความหวาดกลัวกับความไม่รู้ก็กลัวสิ่งต่างๆบางทีสิ่งเหล่านั้นเป็นดินเป็นทรายเป็นอะไรอะไรอยู่เราก็เดินเหยียบไปเหยียบมา พเราหมักสร้างขึเป็นรูปผลรกเราก็กลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัณหาปาะทานเน่ยมันเกิดขึ้นความอยากระหว่างความอยากกับความยึดยิ่งอยากก็ยิ่งยึดยิ่งอยากก็ยิ่งยึดยิ่งอยากก็ยิ่งยึดแล้วในที่สุดก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นบางทีก็แรงจนกลายเป็นความดื้อรั้นซึ่งแสดงว่าโทสะมันก็เพิ่มขึ้น แล้วก็ยากที่จะพูดให้ลดละก็เป็นอาการของโลภะเป็นอาการของสนิคือยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นก็แสดงว่าศีลพตป ร, ตปรมาตเปมก็มีทั้งอาการของโลภะโทสะโมฆะทรงใดที่ใช้ศรัทธาแต่ใช้สรัทธาแก้ทรงใดที่ใช้ปัญญาที่จริงควรจะใช้ปัญญาแต่พอดีเราก็พัฒนาปัญญาไม่ทัน ตอนหนึ่งก็ต้องใช้ศรัทธาไปก่อนแล้วพัฒนาปัญญาไปทาง น, นั้นความเข้มข้นของศรัทธาของความเทียนของสติของสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นทำให้จิตใจรู้เท่าทันอารมณ์แล้วแก้ไขปัญหาในกรณีที่กิเลสเขาเกิดขึ้นเมื่อตายโนปเป็นต้นอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปลด อ, อาการแผดเปลาลงไป ทำใจสงบเย็นอยู่ด้วยธรรมะคือสติคือสัมมาจักคือความเขียนถึงการปฏิบัติแนวนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามกระทำต่อไปโดยลำดับแล้วก็ไม่มีรูปแบบอะไรเพราะประเด็นใหญ่ก็อยู่ที่การมองไปที่จิตแล้วก็ดูอาการของจิตที่เห็นตามความเป็นจริงถ้าเป็นธรรมะก็ดีไป จะเป็นสังยศ์ข้อใดข้นหนึ่งก็เปลี่ยนพยายามลดละบันเทาสงบไประ ง, งับไปจนถึงกระดับไปแม้จะการเป็นการดับทั่วครั้งชั่วคราวก็ดีกว่าปล่อยให้กิเลสบันเผาล่นดูทุกเวลาต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตังางความสงบสุข ต, ต่อไป